โดยเฉพาะหน้ายี่สิบนะครับข้อสิบเก้าผมอ่านดูแล้วล้วเข้าใจยากจริงๆนะเรื่องทิฏฐินะครับเกือบทุกข้อเลยครับนะบางทีท่านอาจจะมีความเข้าใจมากกว่าผมก็ได้นะครับ <c oughs> เช่นข้อที่หนึ่งทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้ขอไปทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยในแท้มันคงว่า อัตตาของเรามีอยู่อันนี้พระอาจารย์ราะว่าเป็นสัสถะทิฏฐินะครับมีอยู่ถึงจะไปไงก็ไม่ไม่เปลี่ยนยังคงอยู่ถาวร อ, อยู่ยังไงก็ขอพระอาจารย์ช่วยขยายทีฏก็แล้วกันนะครับข้อที่สองทิฏฐิเกิดขึ้นแกผู้นั้นโดยแน่แท้มันคงว่าอัตตาของเราไม่มีอันนี้เป็นอุเฉททิฏฐิ ข้อสทิฏฐิเกิดขึ้นแกผู้นั้นโดยในแท้มันคงว่าเรารู้จักอัตตาด้วยอัตตาข้อนิยากครับข้อสี่ทิฏฐิเกิดขึ้นแกผู้นั้นโดยในแท้มันคงว่าเรารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตาข้อหทิฏฐิเกิดขึ้นแกผู้นั้นโดยในแท้มันคงว่า เรารู้จักอัตตาได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาโดยเฉพาะสองสามข้อนี้ท่านอาจารย์ท่านอธิบายว่าสัญญาเป็นอัตตาสัานหลับข้อต่อไปก็คือข้อที่หนะครับอีกอย่างหนึ่งทิทฐิเกิดมีแก่ผู้นั้นอย่างนี้ว่าอัตตาของเรานี้ใดเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รู้ เสวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในอารมณ์นั้นนั้นอัตตาของเรานี้นั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้ยั่งยืนมันคงไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจัดดำรงอยู่เสมอด้วยสิ่งนี้สิ่งที่แน่นอนจัดํารงอยู่เสมอด้วยสิ่งที่แน่นอน <c oughs> ทั้งหมดนี้ข้อหผมเห็นว่าเป็นสัสตะทิฏฐิทั้งสิ้นเลย ขอพอาจารย์ช่วยกระนาขยายความอีกสักครั้งหนะครับโดยเฉพาะข้อสิบเก้าน sure ั่นนะบายท่านคงจะไม่เข้าใจชัดเจน ปัญาที่เเนี่ยนะจากหน้า19คือในหน้า19กล่าวถึง เ, เมื่อปุถุชนมนัสิการโดยไม่แยบคลายวิจิกิจชาคือความสงสัยทั้ง16อย่างก็จะเกิดขึ้นเมื่อความสงสัยเกิดขึ้นทั้งที่เป็นอดีต อาศัยธรรมะที่เป็นอดีตแล้วก็ธรรมะที่เป็นอนาคตเนี่ยนะธรรมะที่เป็นปัจจุบันในเกิดความสงสัยทั้งสิบหกข้อขึ้นอพอมีความสงสัยในลักษณะนี้แล้วก็จะเกิดมิจฉาทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเนี่ยนะในบรรด า, ามิจฉาทิฐิทั้งหข้อ แต่ว่าในมิจฉาทิฏฐิทั้งทั้งหกข้อนะนะันแหละหลักใหญ่ๆแล้วก็มีอยู่สองข้อนะนะั่นแหละคือสัาทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิเป็นไหคือถ้าหากว่าผู้ที่เข้าใจว่าอัตตาเนี่ยมันคืออะไรก่อนก็จะไม่ไม่ยากนะักนะนะถามว่าอาัตตานี่คืออะไรอรัตตานี่เป็นยังไงเนาะ อัตตานี่ซึ่งแปลว่าตนเนี่ยนะอะไรอะคือตนคืออัตตาที่ว่าเนี่ยหมายถึงอะไรผู้ที่สำคัญขันห้าขันใดขันหนึ่งว่าเป็นอัตตานั่นแหละหรือว่าสำคัญทั้งห้าขันนั่นแหละว่าเป็นอัตตาทีนี้ถ้ามีความสำคัญว่าอัตตาของเรามีอยู่เนี่ยนะมันก็บ่งถึงความเที่ยง ต่อไปว่าออชีวิตเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเนี่ยเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปหรือถ้าสำคัญว่าเป็นอัตราของเราไม่มีเนี่ยนะก็คืออัตราของเราเนี่ยจากศูนย์เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องอัตราประมาณสัก15ข้อในส ก, กายะที่ทนะข้อ2ก็อัตราประมาณสักห้าข้อ ซึ่งการจะอธิบายตรงนี้นั้นจะต้องเอาเรื่องสกายยทิฏฐิ20มาเรียนเห็นไหมว่ายึดถือขันท่าโดยความเป็นอัตตานั้นเป็นอย่างไรเห็นไหมทีนี้พออยู่บนพื้นฐานของความสําคัญว่าเป็นอัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะมีความยึดถือในความเห็นของตัวเองในยอย่างอย่างมั่นคงไปสําคัญในธรรมะนั้นเนี่ยนะ ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สำคัญอย่างมั่นคงนนะเพราะผู้ที่จะเข้าใจใ น, ในข้อหนึ่งถึงข้อหกนั่นนะนะพยายามไปดูเรื่องของส ก, กายทิ ธ, ธิอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ขอเลยมาจนถึงข้อความที่กล่าวเมื่อวานนี่นะที่ พระอริยสาวกท่านท่านมนานสิกานในข้อ21ว่าอริยสาวกนั้นท่านมนานสิการว่านี้ทุกนะท่านมนานสิการว่านี้ทุกขสัมุทัย น, ท น, นี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปฏาทาพราเมื่อท่านมนานสิการเห็นอญญริยสัจทั้งสี่อย่างนี้แล้ว ก็สา ม, มารถที่จะละสังโยชน์สามประการได้นะคือละสกายธทิธฐิละวิกิกิจฉาแล้วก็ละสีลพัตตปรามาตอริยสัจนั้นในเบื้องต้นที่แทงตลอดนี่เขาเรียกว่าทัศนะก็เรียกว่าเห็นมรรคแรกเนี่ยนะ อ, อริยมรรคนี่มีอยู่สอย่างคือโสดาปติมรรคหนึ่ง สกาขาคามีมรรคหนึ่งอนาคามีมรรคหนึ่งแล้วก็อรหั ต, ตมรรคมรรคข้อที่หนึ่งเนี่ยนะโสดาปฏิมรรคเขาเรียกว่าทัศนมรรคมรรคที่เหลือเรียกว่าภาวนามรรคเนี่ยนะทัศเนนะปหาตภ า, าธรรมมาภาวนายะปหาตภ า, าธรรมมาแล้วก็เนวะทัศเนนะนภาวนายะ เนวทัศเนณะภาวนายปหาตภาธรรมมานะั่นคื อ, คอธรรมะบางอย่างอาศัยทัศนะคือการเห็นแล้วก็ละได้คือเห็นอริยสัจครั้งแรกก็ละสกายยทิฐิวิจิกชิช้าศีลพัตตปรามาตได้ส่วนอกุศลธรรมที่เหลือต้องภาวนามักจงจะละได้นั่นนะคือตอนแรกเห็นตอนที่สองเนี่ยทำสกต า, าคามิมักธรรมนาคามิมักธรรมอรหัตตมักให้เกิดขึ้น อย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนาันภาวนานั้นจึงจะละบาปละอกุศลต่อไปอละบาปละอกุศลได้ซึ่งจะกล่าวละเอียดอีกครั้งในข้อสุดท้าย เ, าเมื่อคืนก็ได้กล่าวถึงผู้ที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะโดยยกหัวข้ออริยสัจขึ้นเป็นพื้นฐานเป็นประธานในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะ อริยสัจนั้นมีอยู่4ประการด้วยกัน mm hmm. ข้อแรกเรียกว่าทุกขาริยสัจ ท, ทุกขอริยสัจนั้น mm hmm. องค์ธรรมได้แก่ได้แก่อะไรนะหมายถึงอุปาทานขันท่าในอุปาทานขันท่านั้นผู้รวมรวมนะในทุกภพภูมิทุกชาติชั้นนณะเนี่ยนะก็ได้แก่รูปยี่สิบแปดแต่ว่ารูปที่เป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนานั้นมีสิบปดอย่าง นะเรียกว่านิพพานรูป18หรือสัมมาสนารูปรูปที่กวรแกการพิจารณาแต่โดยความเป็นสัจจะแล้วเป็นทั้งหมดเลยทั้ง28แต่ในการพิจารณานั้นเน้นพิจารณารูป18รูปในเรียกว่ารูปประคันในรูปประคันนั้นการมาพบนี่สามารถมีรูปได้กี่รูปการมาพบเนี่ยนะมีรูปได้ทั้ง28นะ โดยรวมๆแต่ในหนึ่งคนนะั้นจะมีรูปได้ประมาณยี่สิบเจ็ดรูปนะถ้าคนไม่มีเพศอ่ะคนไม่มีเพศหรือยี่หกเนาะไม่มีเพศเลยไม่มีภาวะเลยแล้วถ้ารูปประพบอ่ะรูปประพบนี้ตัดภาวะรูปออกไปหากอะไรออกไปอีกขานะเชียวหากายะเนีนยะ รูปที่เหลือก็มีได้ก็ลดไปตามตามนั้นตามสมควรแก่พบในรูปทั้ง28เลยนั้นพื้นฐานพยายามที่จะทําความเข้าใจในรูปที่เป็นหลักเป็นประธาน4รูปเนี่ยนะคือมหาภูต ร, รูป4ีธาตุดินที่ซึ่งมีลักษณะ แ, แข็งแข็งธาตุน้ําที่มีลักษณะยังไงเอือบอาบนะธาตุไฟซึ่งมีลักษณะเย็นหรือร้อน แล้วก็ธาตุลมมีลักษณะเคร่งตึงหรือว่าพัดไปมาทีจริงในรูปสี่รูปเนี่ยนะแยกกันไม่ออกนะในในที่เดียวกันนั้นเป็นรูปที่แยกกันไม่ได้แต่ที่แยกกันได้เพราะมันมีรูปกราบคือมหาภูตรูปนี่นะมันเป็นรูปที่แยกกันไม่ได้แต่ที่ผ่าออกมาได้เนี่ยคือแยกมหาภูตรูปคนลชุดคนละชุดค น, ช, ดคนชุดออกไปแต่ว่าโดยในชั้นละเอียดที่สุดแล้วไม่สา ม, มารถที่จะแยก มหาภูตรูปออกจากกันได้อันนี้โดยชั้นละเอียดที่สุดแต่ว่ามหาภูตรูปแต่ละกราบแต่ละกราบแต่ละกลุ่มนั้นก็มีปริเชทรูปเนี่ยขั้นระวังมันที่เราผ่าได้แยกได้อันนี้อาศัยปริเฉทรูปนั่นเองอันในมหาภูตรูปนั้นซึ่งเป็นรูปที่เป็นหลักเป็นประธานโดยสันตติของมหาภูตรูปมีกี่อย่างนะสี่อย่างนะหนึ่ง มาพูตธรูปที่มีกรรมเป็นสมุทฐานสันตติในที่นี้หมายถึงสมุทฐานนั่นเองแล้วต่อไปมาพูตธรูปซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานมหาพูทธรูปซึ่งมีอุตุเป็นสมุทฐานมหาพูทธรูปซึ่งมีอาหารเป็นสมุทฐานในมหพภูตรูปเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคทรงเน้น มหาภูตรูปซึ่งมีอยู่ในกายนี้น ะ, ะถ้าจําได้ในมหาหัตถิปโทปมสูดนะพระสูตดที่อุปมาเหมือนกับรอยเท้าช้างใหญ่เน้นมหาภูตรูปซึ่งมีอยู่ในกายเนี่ยนะคือแยกส่วนใดที่มีลักษณะแข่นแข็งมากก็จะอันนั่นแหละคือลักษณะของปัทวีธาตุแต่ว่าในปัทวีธาตุนั้นไม่ใช่ไม่มีอาโปธาตุไม่ใช่ไม่มีวาโยธาตุไม่ใช่ไม่มี เตโชธาตมีอยู่แต่ว่าธาตุเหล่านั้นไม่สามารถทํากิจของตัวเองได้ได้เต็มที่แต่ถ้าหากว่าในส่วนใดที่มหาภูตรูปคือปฐวีธาตเด่นชัดมหาภูตรูปเขาจะทํากิจของเขาได้อย่างเต็มที่เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะเตโชธาตเขาทํากิจของเขาได้เต็มที่เลยแต่ถ้าน้ําเลือดน้าเหงือ่อน้ามันข้นน้ํามันเลว้วอันนี้อาโปธาตเขาทํากิจของเขาเต็มที่ แในขณะที่นั้นก็มีปฐวีธาตุอยู่ด้วยแล้วก็ที่ที่ตรงนั้นก็มีวายโยธาอยู่ด้วยแต่วายโยธาที่ทำกิจเต็มที่ก็คือวายโยธาที่ทำให้ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่าลมที่พัดทั่วสารพางกายหรือว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกถามว่าไอขณะที่มันพัดเนี่ยลมมันไปอย่างเดียวโดดโดดไหม ไม่ใช่นะมันก็พ า, าธาตุน้ําไปด้วยพ า, าธาตุดินไปด้วยพ า, าธาตุไฟไปด้วยนีนะอันนั้บางทีพัดความร้อนเนี่ยขึ้นหมดตัวเลยใช่ไหมทีลมพัดขึ้นเบืเ้องบนแล้วพัดเอาความร้อนเนี่ยขึ้นลงขึ้นมาด้วยนะอันนัเพราะฉะนั้นในความร้อนที่พัดทั่วสารพางกายก็ถามว่าอะไรเป็นตัวทําให้ความร้อนเนี่ยกระจายไปทั่วสารพางกายได้าธาตุลมนั่นแหละอันนธาตุลมเนี่ยเป็นตัวที่พัดอันนับางทีก็ เลือดมันไหลเวียนเนี่ใช่ไหมถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เลือดมันไหลเวียนได้ก็ธาตุลมแต่ว่าในเลือดหนึ่งเลือดนี้มีปฐวีอยู่ในนั้นไหมมีนะในเลือดมีกี่รูปเลือดทั้งหมดนี้มีสี่สิบสี่รูปนะเลือดนั้นมีอะไรกายทัศกะภาวะทัศกะอาหารวินิโพครูปแปดจิตตาวินิโพครูปแปดและ อุตวอวินิโภคารูปแปดเพราะฉะนั้นในนั้นเนี่ยก็มีธาตุดินธาตุไฟแล้วก็ธาตุธาตุน้ำอยู่ด้วยแต่ว่าธาตุลมเนี่ยเป็นตัวพัดเนี่ะะในมหาภูต ร, รูปเหล่านี้เนี่ยนะสีของมหาภูต ร, รูปเรียกว่าสีใช่ที่ที่รู้ได้ทางตาเนี่ยนะมหาภูต ร, รูปจริงๆแล้วเขารู้ทางตาไม่ได้แต่สีที่ในมหาภูต ร, รูป เนี่ยนะสามารถรับกระทบจากขู่ราสาธะได้แล้วก็มหาพุ ร, รูปนั้นก็มีกลิ่นอยู่ในนั้นมีรสแล้วก็มีโอชาอยู่ในนั้นด้วยถ้ามหาพุ ร, รูปมีกรรมเป็นสมุทฐานก็มีชีวิตอยู่ในมหาพุ ร, รูปนั้นด้วยเนี่ยนะแล้วก็ถ้าหากว่าในส่วนตรงนั้นๆเนี่ยนะเกิดจากกรรมบางอย่าง ความใสของมหาภูตรูปบางอย่างทำให้สามารถรับสีได้นั่นเรียกว่าจัโคปสาทะความใสของมหาภูตรูปบางอย่างทำให้สามารถรับเสียงได้เรียกว่าโสตปสาทะความใสของมหาภูตรูปบางอย่างสามารถทำให้รับกลิ่นได้เรียกว่าคานาปสาทะมหาภูตรูปความใสบางอย่างเนี่ยนะก็สามารถทำให้รับรสรมได้คือตัวชิวหาปสาทะเนี่ยนะ สา ม, มารถรับกระทบรสได้แล้วก็ความใสของผาผูตรูปบบางอย่างก็เป็นใสาสา ม, มารถรับผุดภารมได้ในความใสเหล่านั้นเนี่ยนะทั้งจกักขโหปะสสาทะโสตปะสสาทะคานาปัสสาธาะชิวหาปัสสาทะกายาปรสสาธะเนี่ยแต่ละอย่างมีวิสัยที่แตกต่างกันอ่าเพราะฉะนั้นประสาทะแต่ละตัวจึงเป็นอินทรีย์คือสา ม, มารถรับอารมณ์ได้คนละอย่างตาก็รับสีอย่างเดียว นะความใสาทางตาสา ม, มารถรับสีอย่างเดียวความใสทางหูรับเสียงอย่างเดียวความใสทางจมูกรับกลิ่นอย่างเดียวความใสทางลิ้นรับรสอย่างเดียวความใสทางกายรับโพอธพะอย่างเดียวอันในความใสเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาเป็นวัตถุให้ทวิปัญจาเกิดแต่เขาเป็นทวานให้จักขุทวานวิถีเป็นต้นเกิด อาศัยจัก uh ู่ทำให้เก <term> ิดจักู่ทวารวิถีจิตอาศัยโสตะทาให้เ <smells> กิดโสตะทวารวิถีจิตอาศัยจมูกทาให้คานาทวารวิถีจิตอาศัยลิ้นทำให้ชิวหาทวารวิถีจิตเกิดแล้วก็อาศัยกายทำให้กายะทวารวิถีจิตเกิดในวิถีจิตทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดรอไหม นั้เป็นยังไงอันะนคือวิธีจิตเหล่านั้นเนี่ยนะใช้คำว่าจิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตนี้ไม่ใช่เป็นตัวที่เที่ยงเป็นอัตตาไปอยู่ในนั้นอะไรหรอกเพราะว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่เหมือนกับไฟใช่ไหมสมมติว่ามีฟือนอยู่ฟืนหนึ่งท่อนหนึ่งเนี่ย น, นะเอามาสมสมกันเข้าแล้วจุดไฟขึ้นถามว่ามันมีไฟอยู่ในนั้นก่อนหน้านั้นไหม มีไหมไม่มีนะแต่ว่าฟืนอันนั้นเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟลุกขึ้นได้จักรุของเราก็เหมือนกันไม่มีจิตไปเกิดรอที่นั่นหรอกแต่พอได้ปัจจัยนะเกิดการเห็นวิธีจิตก็ก็จะเกิดขึ้นบางทีมันก็เหมือนกับไฟช็อตเนี่ย น, นะโคบวกกับขั้วลบมากระทบกันมันก็เกิดประกายขึ้นมันช็อตขึ้นในลักษณะนั้นความคิดที่เกิดขึ้นก็จะลั ก, ลกษณะนั้นเขาไม่ได้เกิดรอ ถ้าได้ปัจจัยเขาก็เกิดหมดปัจจัยเขาก็ก็หมดเนี่ยนะแต่ว่าในการเกิดขึ้นของวิถีจิตเหล่านั้นจิตบางอย่างเป็นผลของกรรมจักขุวิญญาณสัมปติชนะจิตสันติระจิตจิตเหล่านี้เป็นผลของของกรรมอพอเลยไปจนถึงชาวนะจิตจิตอันนี้ทำกรรมใหม่เนี่ยนะก็เป็นลักษณะนั้นแต่ว่าจิตอยู่ๆไม่ใช่เขาจะเกิดขึ้นเลยเขาได้ปัจจัยเขาจึง เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าได้ปัจจัยทางตาจิตทางตาทวารวิจคู่ทวารวิถีก็เกิดถ้าได้ปัจจัยทางหูสมบูรณ์โสตะทวารวิถีจิตก็เกิดนะถ้าได้ปัจจัยสมบูรณ์ภาณฑทวารวิถีจิตก็เกิดอาศัยปัจจัยทางลิ้นเนี่ยนะชิวหาทวารวิถีก็เกิดอาศัยปัจจัยสมบูรณ์เนี่ยนะนนจิตไปเกิดที่ไหนรู้ไหม ที่โป่งเท้านะั่นกระดิกกระดิกกันนั่นนะไปเกิดที่นั่นแทนเกิดต้องให้เกิดสูงก็ได้เนะีเกิดต่ําลยขันทิษฐานเนี่ยเกิดสูงเลยนะมันสามารถเกิดได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างในวิธีจิตเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจจะทําให้รู้จักเรื่องของอริยสัจดีเพราะว่าจากหูภาษาทะเนี่ยนะนับว่าเป็นอายตนะภายในโสตชิวหากายะ พวกนี้เป็นอายตนะภายในและจิตก็เป็นมนายตนะเป็นอายตนะภายในทั้งหมดเลยสิ่งที่ประกอบร่วมกับธรรมะทั้งห้านั่นแหละเออทั้งหกอย่างนะสิ่งที่เกิดร่วมกับตากับสีเออสิ่งที่เกิดร่วมกับตากับหูกับจมูกกับลิ้นกับกายกับใจสิ่งที่เกิดร่วมกับธรรมะหกอย่างนี้นะเรียกว่าอายตนะภายนอกยกตัวอย่างนะในจักรโคทัสกะกลาบเนี่ยนะในใน ในกลุ่มรูปมีตาเป็นประธานเนี่ยตัวจักรคูภาษาทะเท่านั้นเป็นอายตนาภายในรูปที่เหลือเกิดร่วมกันเป็นอายตนาภายนอกหมดเลยเห็นไหมในจกักรคูทัศกะกลราบได้เกียรอายตนาพวกกันจกักรคูทัศกะกลราบเนี่ยได้เกียร์อายตนะ หนึ่งจักขายยตนะสองอออหนึ่งละอัะนนะ่ะใครไปเพ่งมามากก็จะตอบได้ง่ายหน่อยใครไม่เคยเพ่งเลยก็ตอบตกเกียวกรอบหมดจานติงดีกวะ่ะเอาหนึ่งฐ า, านะช่วยๆสงเคราะห์เขาหน่อยเอาหนึ่งจักคูทักษะกราบได้เกียยตนะ หนึ่งจักรายตนะสองรูปายตนะสาคันทายตนะสี่รัษายตนะห้ากายายตนะหะไม่ใช่โพธพายตนะด้วยธรรมายตนะด้วยะนะเพราะฉะนั้นถ้าในในจกักรครุทสกกรลาบเนี่ยนะไม่มีเสียงเกิดอยู่ในนั้นไหมไม่มีน ะ, ะเมื่อไม่มีเสียงเนี่ยนะเข้าเวนเฉพาะ ส, สัทธายตนะ เขาได้อายตนะภายในหนึ่งคือจกักระยตนะนะเขาได้รูปายตนะได้คำไทยยตนะเพราะมีกลิ่นในนั้นมีรสรสายตนะมีโพธาพะได้โพธาภายตนะธรรมะที่เหลือเนี่ยนะอาโปธาต์โอชารูปชีวิตรูปเป็นธรรมายตนะเนี่ยนะได้อายตนะหลายอย่างเนาะอืม ในยตนาเหล่านั้นปัจจัยอะไรทำให้เกิดหนนะอ่าดูที่ว่าสมุทรยศรจะมั่นคงขนาดไหนพอเมื่อกี้กล่าวทุกขศัพท์แล้วอะไรนะสูตรว่าไงมีสูตรหน่อยนะนึกสูตรนาะอ่าว่าอะไรเป็นปัจจัยทำให้เมื่อกี้พูดถึงจกักรครุทสกากลาบใช่ไหมอ่า ปัจจัยของจักระเนี่ยคืออะไรปัจจัยของจักระคือนะอวิชาตันหาอุปาทานเป็นเหมือนแม่ที่ทำให้รูปทำให้จักขะทัศกาลนั้นเกิดถ้าไมอย่างนั้นตาทุกคนก็เหมือนกันหมดแต่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าตันหามาแตกต่างกันแล้วก็มาจากกรรมที่แตกต่างกันกรรมนั้นเหมือนกับเหมือนกับอะไร เหมือนกับพ่อแล้วในจกักขุทักะกราบนี่นะมีชีวิตเรียกว่าอายุอ า, อายุอันหล่อเลี้ยงไว้มีเตโชธาตุอนุบาลเนี่ยนะเรียกว่าอายุไออ่นเตโชธาตุเป็นไออ่นที่หลอเลี้ยงชีวิตตินทรีนี่เรียกว่าอายุหล่อเลี้ยงไว้นะแล้วก็มีโอชา อ, อาศัยทั้งโอชาในตัวเขาเองด้วยโอชาที่ในกราบอื่นด้วย ก็มาอุปถัมภ์ให้เขาอยู่ได้อันนั้นเป็นอะไรโอชาอันนั้นเป็นรูปอาหารปัจจัยชีวิตตรูปเป็นเป็นอะไรปัจจัยชีวิตตรูปเป็นรูปชีวิตตินริยะปัจจัยเนี่ยนะแล้วก็ตัวมหาภูตรูปเตโชธาตที่เรียกว่าไอาอุ่นเนี่ยนะเป็นสหาชาตปัจจัยเป็นต้นแก่การเกิดขึ้นของจกักปปรปสาทารูปซึ่งมีตันหาอาวิชา อุปาทานเป็นอุปนิสยปัจจัยแล้วก็มีเจตนากรรมนาดีตเป็นนานักคณิกกรรมปัจจัยนะได้ตั้งหลายขันหลายายตนะนะอยู่ในนั้นแหละเพรา ะ, ะจักรคู่เหล่านี้เนี่ยอยู่แค่นี้ไหมเปรรูปสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นรูปเมื่อเป็นรูปนั้นก็คือรู ป, ปขันคําว่าขันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นกองสิ่งเหล่านี้มีทั้งที่เป็น อดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวปะนีตใกล้ไกลน่นะถึงความเป็นกองของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระองค์แสดงว่าเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราคือถามว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงไหมจริง แต่ความจริงอันนี้ไม่มีอัตราอยู่ในนั้นเลยไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้เสวยแต่เขาเป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยด้วยปัจจัยถ้าปัจจัยประชุมพร้อมเขาก็เกิดขึ้น น, นะความเป็นไปของจกักระก็เป็นไปในลักษณะนี้นะหูก็ลักษณะเดียวกันจมูกเลี้ยกายใจเพราะผู้ที่อบรมปัญญานั้นก็มั่นที่จะใคร่ครวนพิจรารณา ความจริงเหล่านี้ให้มากๆกนะการไข้ครวญนั่นแหละเป็นเป็นอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะปัญญาที่พิจารณานั้นเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิถ้าพิจารณามากๆก็จะอย่างถึงในความเป็นกรรมและผลของกรรมเพราะว่าจักขุนั้นเป็นเป็นรูปชาติชาติอะไร เ, ะเป็นรูปไม่มีชาติหรอกอภยกตะอย่างเดียวนะ ไม่มีกุศลนะกุศลนะเป็นรูปเป็นอัพยากตาชาติอ่ากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาอพยากตาธรรมมาเขาเป็นอัพยากตาท่านั้นแหละเขาไม่ได้เป็นชาติอื่นหรอกหรือว่าธรรมมาจากโซลินเนีเ่ยคอมเมนตว่าชาติอันนี้ว่าคละชาตินะไม่ใช่หรอกอันนั้นในจักขคุเหล่านี้ ท, ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ปัจจัยเขาก็เกิดขึ้นถ้าเข้าหมดปัจจัยเขาก็เขาก็หมดไป ทั้งอายุทั้งไอโอนทั้งอาหารที่มาเลี้ยงดูเสร็จแล้วจกักรโคเหล่านี้เนี่ยนะจักรูวิญญาณ น, นั้นเป็นปัจฉาช า, ชาตะปัจใจหล่อเลี้ยงเขาอยู่นะนะจกักรโวิญญาณและวิธีจิตทั้งหมดเป็นปัจฉาช า, ชาตะปัจใจถ้าหากว่าวิธีจิตที่เกิดหลังๆมาเป็นจิตที่ไม่ค่อยมีคุณภาพจากักรโว่าถูกก็จะอ่อนกําลังลงไปตามนั้นด้วยนะอ่า แล้วแต่ปัจจัยเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยนั่นแหละเกื้อกูลเขาอยู่อันเมื่อเขาเป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้เขาจึงเป็นสังขารธรรมเขาจึงเป็นสังคตธรรมนะเป็นสังขตธรรมสังคตะ ส, สิ่งที่ถูกปัจจัยประชุมขึ้นที่เที่ยงหามีไม่เขาเป็นสังขารธรรมนะอันพระองค์ก็แสดงในคาถาธรรมบทว่ า, าเมื่อใดที่บุคคลตามเห็น นะสังขารทั้งปวงเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาก็จะเบื่อหน่ายในในวัตถุทุกเหล่านี้ความเบื่อหน่ายในวัตทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดนะเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เราเคยได้ฟังบาลีนะสัพเพสังขาราอนิจติยาาปัญญายปสติอาธานิปินทติตุ เ, เอสมะโควิสุตติอันการพิจารณาความจริงเหล่านั้นการพิจารณานั่นแหละเป็น เป็นสามมาทิทฐิเนะะถ้าหากว่าบุคคลมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกปปะก็จะเกิดตามนั้นเพราะว่าคนเนี่ยจะจะคิดตามที่ตัวเองเข้าใจนั่นแหละสาัมมาทิฏฐินะถ้าพูดแบบไทยๆเราก็คือความเข้าใจอ่ะใครเข้าใจยังไงก็นั่นแหละคือทิฐิอของเขาเขาเข้าใจอย่างไรเขาก็จะคิดตามที่เขาเข้าใจนั่นแหละความเข้าใจนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นพื้นฐานที่สุดเลยนะ ถ้าหากว่าใครเข้าใจผิดอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิใครเข้าใจถูกเป็นสัมมาทิฏฐิถามว่า อ, าอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบว่าเราเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกเพราะทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้ว อ, อะไรเป็นเครื่องตรวจสอบนะนะเอาพระธรรมคำสอนนะสาธุแสดงว่าเตรียมไปอ่านกันยกใหญ่แล้วนะเอาไม่งั้นก็ไม่มีโอกาสตรวจเลยอะ่ะเอาก็เข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไหม แต่ไม่ได้เข้าใจสมบูรณ์กันเหมือนกั น, นเพราะพื้นฐานของความเข้าใจคําสอนแตกต่างกันสมา ธ, ธิิในระดับธรรมดากรรมสกตาสมา ธ, ธิิไม่ละเอียดนักนะนอกผู้ศาสนาเขาก็รู้กันแต่ถ้าละเอียดจนถึงกับว่ากรรมสกตาเหล่านี้เป็นบาตให้วิปัสสนานนั้คนนั้นต้องอาศัยคําสอ น, นนะต้องต้องอาศัยคําสอน ถ้าหาว่าไม่อาศัยคําสอนนี่จะยากแล้วนะคำสอนกล่าวว่าอย่างไรแล้วก็ไปใคร่ครวญตรวจสอบตามนั้นเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนานั้นอย่างไรก็ตามสาระคงทิ้งไม่ได้นะถ้าเราอ่อนในเรื่องสาระว่าสาระเราแนะนําในสิ่งเหล่านี้อย่างไรนะนะมากล้าท้าเลยให้ไปพิจารณาเลย ได้สูตรขนาดนี้แล้วไม่จําคําสอนต่อไปในส่วนลึกซึ่งยังไงก็เจริญต่อไปไม่ได้ปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยนะต่อใ ห, ให้เก่งขนาดไหนเหาะมาด้วยก็ เ, เทวดาถ้าไม่งั้นเทวดาก็บรรลุ ก, กันทุกคนแล้วถ้าเป็นเทวดาเพราะาเทวดาเหาะได้แต่ถ้าพื้นฐานกรร ม, มสักตาสัมมาทิฏฐิไม่ดีวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็จะไม่เกิดถามว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไร เมื่อกี้เนี่ยกล่าวถึงจักขโเนี่ยนะเป็นทุกขสัตว์แล้ใช่ไหมอ่จาจักรโคนี้เป็นวัตถุให้จักขโวิญญาณเกิดและเป็นอินทรีย์เป็นทวารแกจักขโทวารวิถีอันนี้เท่ากับกล่าวขันห้าเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกล่าวถึงขันห้าเหล่านี้แล้วขันห้าเหล่านี้ทํำยังไงที่จะใคร่ครวญให้มากๆขึ้นไข้ค ร, ครวญว่ายอย่างไร โดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาเที่ยงไหม <c oughs> เพราะเขาไม่เที่ยงคือมีแล้วก็ไม่มีจากไม่มีมามีขึ้นจากมีแล้วก็หมดไปแต่พื้นฐานอันนี้เนี่ยนะกรรมสกตาต้องดีนะคือมองชีวิตอย่างตลอดสายว่าการเจริญเติบโตของจักขโเนี่ยเติบโตมาอย่างไงเนี่ยนะ คือคือไม่ใช่ว่าเรามานั่งเพ่งนั่งจ่ออย่างเงี้ยไม่ได้จ่ออย่างงั้นถ้าจ่ออย่างนั้นออนะไปหาอะไรที่มันละเอียดที่สุดเลยนะไปนั่งดูแสงอะไรก็ได้ที่มันละเอียดที่สุดนั่นแหละแลเพ่งอันนั้นให้มากๆมันจะได้เห็นเกิดดับมันจะได้บรรลุ ง, ง่ายๆยานะไม่มีนักสูตรเลยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นล้วก็นั่งหมั่นพยายามไ ค, รคร้ครวนเนี่ยนะวิธีการไค้ครวนในเรื่องความไม่เที่ยงเนี่ย ในวิสุทธิมัสท่านแนะนําลักษณะว่ายกตัวอย่างว่าอกรรมชรูปเหล่านี้เนี่ยนะในอดีตชาติมันก็หมดแล้วในอดีตชาติไม่ได้มาถึงชาตินี้อะไรเลยมีเชื้อตาของชาติที่แล้วมาไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้นอของชาติที่แล้วก็หมดไปแล้วในชาติที่แล้วแล้วของชาตินี้แหละก็จะอยู่เฉพาะชาตินี้ไม่ถึงชาติหน้าของชาติหน้าก็ไม่ถึงชาติต่อไปอีกเนี่ยนะให้เอาโดยพบมากล่าวก่อน ยแยกเป็นสามชาติสุรชัยสามชาติน่ะอันเดียวกันไม่ใช่นะคนลังงานเลยทำไมก่อนเคยฟังอห็นะฟังตอนนั้นไม่ได้สังวรไร้ซากอย่างปุตุชนสมบูรณ์แบบไม่มีวินยัยสักข้อเลยนะพอได้ยินเพียงปุ๊บไม่มีวินัยเลยนะไม่มีวินัยวินัยมีกี่อย่างนะสองไม่มีสังวรวินัยไม่มีปะหานะวินัยสักอย่างเลยนะตอนนั้นจิตเป็นอกุศลนั่นละอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ นั่นะทำเหตุอะไรแล้วทำไงได้พ่ออะไรพ่ออะไรนะพ่ออะไรรู้ไหมโทษของวัตตะนะถ้าใช้คำว่าโทษของวัตตะนึกถึงสัมาเนรรูปหนึ่งเนี่ยน ะ, ะท่านฉลาดคิดมากท่านไปกว่าอุปชาของท่านอุปชาท่านนี้ไม่ได้บรรลุอะไรสักอย่างแต่ท่านนี้เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เจ็ขวบ ทีนี้ท่านเข้าไปอุปถากอุปชาอุปชานี้ไม่รู้ว่าสัมมณเณเนี่ยอยู่ข้างหลังก็ถือถือของอย่างบางอย่างเนี่ยนะก็ไปทิ่มตาท่านตาสัมณเนเนี่ยแตกก็เอามือเนี่ยปิดตาไว้แล้วก็เข้าไปถวายน้ําคือเช้าเชาเนี่ยนะสมณเนรเขาจะประพฤติวัดคือถวายน้ําล้างหน้าถวายไม้สีฟันแก่อุปชาอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์ก็ถามว่าทําไมจึงถวายข้างเดียว คือปกตินี้อาจารย์แนะนําเวลาถวายของประเคนของควรถวายสองมือไม่ใช่เลยสัมณเณรก็บอกว่าตาของผมไม่ว่างครับอ่างนั้นทําไมอะ่ะก็บอกว่าปิดปิดตาครับอย่างนั้นแล้วก็ดูหูเลือดอาบเลยเพราะว่าเป็นอะไรสมณเณรก็เล่าให้ฟังว่า เ, เมื่อกี้เนี่ยอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้รำเพริญรำพันอะไรนะเพราะว่าพระรหันไม่มีโทมนัตเวทนาอยู่ในมโนทวารที่ถีเลย ทุกขกาญาบิญญาณเจ็บมีอยู่แต่ใจไม่เจ็บเจ็บเฉพาะกายเนี่ยนะเราคิดไม่ถูกหรอกว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าปุตติชนเนเจ็บเขาบอกว่าลูกศรนสองดอกเลยนะแทงทางกายด้วยแทงทั้งใจด้วยทะลุกายไม่พอไปจนถึงใจอีกนะเจ็บกายไม่พอเจ็บใจด้วยแต่พระอรหันต์ท่านเจ็บเฉพาะกายท่านก็บอกว่าอุปชาเนี่ยเสียใจมากนีนะ โอ้โหส ม, มนเณรขอโทษด้วยนะระวังนันจา์ไม่รู้จริงๆส ม, มนเณรก็บอกว่าโทษของท่านก็ไม่มีโทษของผมก็ไม่มีเป็นโทษของวัตตะนะเพราะว่าเมื่อบุคคลอยู่ในวัตตะแล้วนี่บางครั้งทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วได้ปัจจัยก็ต้องทำกรรมชั่วได้ปัจจัยก็ต้องทำกรรมดีเมื่อคืนเนี่ย นอนฟังเสียงกบเสียงเขียดโอ้ยร้องระงมไปหมดทีนี้มันนึกถึงโอ้ชีวิตเราเนี่ยนอนในท้องทุ่งอย่างนี้มาสิบกว่าปีสิบกว่าปีเนี่ยนอนท้องนาเ น, นี่ยนะเราจําได้โอ้แล้วก็ทีนี้เราเรียนเรื่องสังวรไปแล้วใช่ไหมอ่าสังวรในทุกๆอารมณ์หรือว่าให้มีวินัยในทุกๆอารมณ์ทีนี้ก็ทบทวนโอ้โหชีวิตของเราในในช่วงนั้นไม่เมีมีวินยัยสักอย่างเดียวเลย ฟังเสียงกบร้อง้ี่จะเอาอยัางไงเอากรบตัวนั้นมาให้ได้ยังไงจะคิดแบบนั้นนะจะวางแผนยังไงมีสังวรอยู่ในนั้นสักข้อเลยเพราะจิตใจนั้นเป็นไปกับอกุศลอยู่ตลอดพอถามว่าสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะวัตะแท้ๆเลยนะอภิชามันก็เกิดเห็นนะสังขารก็เกิดทํากรรมสารพัดความเป็นปุตุชนก็จะเป็นลักษณะนั้นเั้น การพิจารณาเนี่ยจะต้องมั่นพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆว่าเอออาศัยปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นเนี่ยนะสังขารสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมเนี่ยนะตัวตาเนี่ยเป็นสังขารธรรมใช่ไหมเป็นธรรมที่อาศัยปัจจยัย ป, ปรุงแต่งขึ้นอของอดีตชาติก็ไม่ถึงชาตินี้ของชาตินี้ก็ไม่ถึงชาติหน้าแต่ว่าในความเป็นกรร ม, มชือของเขาแล้วแต่สมุฐานคือแล้วแต่ ตัวจริงๆตัวตานั้นน่ะเป็นกรรมมชรูปเป็นเป็นรูปเป็นรูปที่อุปธรรมรูปที่เหลือแต่ว่าถ้าหากว่าเขาขาดอูตูชรูปเขาอยู่ไม่ได้ขาดอาหารชรูปไปหล่อเลี้ยงตาก็อยู่ไม่ได้ขาดทั้งจิตตชรูปเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสมุทฐานที่เหลือก็จะเป็นรูปอุปธรรมเขาเป็นรูปเป็นประธานสมุทฐานสามที่เหลือก็ไปอุปธรรม ถ้าหากว่าเข้าหมดะนะแล้วแต่คุณภาพของอาหารชรูปที่เข้าไปหล่อเลี้ยงเขาด้วยแล้วแต่คุณภาพของจิตชรูปด้วยนะบางช่วงสุขภาพจิตไม่ค่อยดีเนี่ยพาตาเนี่ยเสียหายไปด้วยเห็นไะใครเคยเครียดแล้วพาตาเนี่ยมัวไปหมดเลยนะโศกสะเกิดบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยตาเนี่ยมัวหมดเลยนะแล้วก็ถ้าขาดสารอาหารบ่อยๆตาก็จะมัวไปด้วยนะก็เหมือนกับที่ ก่อนกอนวันเนี่ยก่อ น, อ น, อ น, อ น, อนที่จะฟังวิทยุอตอนเที่ยง้วนะก็เลยเอาเข้าฟังพูดถึงว่าชาวเชียงใหม่ที่ขาดวิตามินเอเนี่ยมากพอสมควรโดยเฉพาะเด็กๆอำเภออโอลัยนะอำเภออมก๋อยอะขาดวิตามินเอว่างั้นพูดถึงว่าเออพ่อแม่ควรใส่ใจเรื่องอาหารให้ลูกกินดีๆหน่อยนะเพราะว่าเด็กขาดวิตามินเตาก็จะไม่ค่อยดี พันแล้วแต่คุณภาพของอาหารว่าในวิตามินที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยสามารถหล่อเลี้ยงตาได้ได้ได้นานเท่าไหร่นั้นตาก็สุดแท้แต่คุณภาพของวิตามินที่เข้าไปหล่อเลี้ยงเนี่ยนะคือวิตามินเอที่ไปทําอาหารชรูปแล้วจิตด้วยนะแล้วอุตุด้วยกรรมจิตอุตุและอาหารก็จะอุปธรรมหล่อเลี้ยงให้เป็นตายอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็แม้แต่ในภพนี้เราก็มาแบ่งชีวิต นะนะถ้าจะเพาะเอาเฉพาะส่วนตามาเนี่ยนะเราก็มาแบ่ง10ปีแรก10ปีที่สองสิปีที่สามนั่นนะสิบปีแรกก็ไม่ถึง10ปีที่สองใช่ไหมตาของเราเมื่อ10ปีแรกกับ10ปีที่สองเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะสิปีที่2กับ10ปีที่3าเหมือนกันไหมไม่เหมือน10ปีที่ 3- ามถึงสิปีที่4ี่ไหมไม่เหมือนเลยนะแต่ละอย่างไปไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขามีความเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ควรไหมที่จะตามเห็นว่านั่นของเราไม่ควรนะดงั้นเขาก็ไม่เที่ยงเพราะเขามีแล้วก็หมดไปเป็นทุกข์เพราะว่าตัวจริงๆท่านน่ากลัวนะเพราะว่าความใสของตาเนี่ยนะพื้นฐานเบื้องหลังของความใสของตาคืออะไรคืออะไรมาพูทธ ร, รูปนะคือความใสของมหาพูทธ ร, รูปที่รับภาพได้ พระ examples, surgery, พุทธเจ้าอุปมามหาพุรูปเหมือนกับอสารพิษสี่ตัวนะถ้าเลี้ยงธาตุน้ําดีๆก็ดีไปเลี้ยงไม่ดีเลี้ยงธาตุน้ํามากผิดธาตุไฟนะเลี้ยงธาตุไฟมากผิดธาตุลมเลี้ยงธาตุลมมากผิดธาตุดินเลี้ยงธาตุดินผิดธาตุน้ํานะนั้นเขาเป็นเหมือนอสสารพิษสี่ตัวถ้าใครสามารถหาปัจจัยเลี้ยงเขาดีเขาก็เป็นดีถ้าเลี้ยงเขาไม่ดีเนี่ยนะโหมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนเขาตาเนี่ย มันการติดเชื้อนะดูหนังสือไม่ได้ไปที่โรงพยาบาล ท, ที่อุบลสมัยนั้นอยู่อุบลแล้วก็พาเพื่อนไปโหคนมานั่งคิวรอมากกว่าเรามาฟังธรรมกันก น, นะที่โรคตาเนี่ยนะทั้งตาแฉะตาสารพัดนั่นแหละที่ไปหาหมอนั่นแหละมากกว่าเรามาฟังธรรมอีกนะนั่งรอคิวแล้วแต่อนายก็เข้ามาตรวจตา อ, อันในตาเนี่ยนะนั่นแหะนนะคือความเป็นทุกข์ของเขา แล้วก็ในสภาพเหล่านั้นของเราถ้าได้ปัจจัยบางอย่างมีอยู่ตาของเราก็พร้อมที่จะเป็นในลักษณะนั้นทันทีเลยนะถ้าได้ปัจจัยทั้งกรรมจิตอุตุและอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติเนี่ยนะตาก็จะวิบัติตามนั้นไปด้วยเหมือนๆกันเนี่ยนะของภายในภายนอกไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะักเพรา ะ, ะเขาจึงน่ากลัวนะเป็นเขาเป็นทุกข์เพราะเขาน่ากลัวแล้วก็เป็น อนัตตาเพราะไม่มีสาระอยู่ในนั้นเลยไม่มีนิจจสาระไม่มีสุขสาระไม่มีอตตะสาระแล้วก็ไม่มีสุภาสาระอยู่ในนั้นเลยเขาจึงเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแกนสารอยู่ในในในสิ่งเหล่านั้นเลยอันก็ตามพิจารณานี่แหละเนี่ยนะกายนี้เนี่ยนะก็คือมหาภูตรูปใช่ไห ม, มากายนี้เป็นที่ประชุมของมหาภูตรูปสี่ นะมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดนะต้องคอยอบคอยฟันอยู่เป็นนิดเนี่ยนะท่านจงตามพิจารณากายอันนี้แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกสอนเป็นความลำบากเนี่ยนะแล้วก็เป็นของที่เหมือนยืมเข้ามาเนี่ยนะเป็นปรปักเป็นศัตรูเป็นฝ่ายอื่นเป็นของเล็กน้อย เป็นของว่างแล้วก็อุปัทวะโตแปลว่าอะไรแม่แม่นะสาธุอุปัทวะโตฟังกันตัวเนี่ยอุทปุอุปัทวะโตนะเนี่ยเลี้ยงไม่ดีเนี่ยพายังเอ็นไนิบัตไปหมดเลยเนี่ยนะพันเป็นของว่างของเปล่าของไม่มีสาระไม่มีแกนสารนีการใคร่ครวในลักษณะนี้มากมาเรียกว่าอะไรตีรณปริญญาเนี่ยนะ เมื่อบุคคลใคร่ครวญมากๆก็จะเริ่มมองเห็นความสาคัญของสมุทฐานมากขึ้นว่าความเป็นไปของตาเนี่ยสุดแท้แต่สมุดฐานนะไม่ใช่พูดถึงไม่เที่ยงมากๆเข้าแล้วลืมสมุดฐานนะตรงกันข้ามถ้าในยะแห่งคําสอนแล้วจะมาใส่ใจเรื่องสมุทรฐานมากขึ้นมาใส่ใจเรื่องปัจจัยมากขึ้นเพราะว่าถ้ารู้ว่าเมื่อเขาได้ปัจจัยเขาก็เกิดขึ้น เมื่อมองเห็นทั้งตัวเขาและปัจจัยเนี่ยนะก็จะอย่างถึงสัจจะสองอย่างคือตัวจักขุทั้งหมดเลยเป็นตัวทุกขสัจปัจจัยแห่งจักขุเป็นสมุทัยสัจเนี่ยนะันตนหาวิชากรรมแล้วก็อาหารที่เป็นเหตุให้รูปเกิดเหล่านี้เป็นฝัก่ายแห่งสมุทัยสัจเนี่ยนะตัวจักขุทั้งหมดนั้นเป็นทุกขสัจ นะถ้าในปัจจัยทุกษัตย์เพราะฉะนั้นทุกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดจากปัจจัยเหล่านั้นแหละทีนี้ทำไงอ่ะปัญหาแก้งางนคันนีอะไรเป็นสมุทยัทยนะเมื่อกี้อวิชาตันหาเอายกสองตัวพออวิชามเป็นยังไงอวิชาคือความไม่รู้สัจจะทั้งสี่ ทีนี้เรารู้ไหมว่าสัตจจะสี่นี่ระหว่างตากับปัจสมุดฐานของตาเรารู้ไหมว่าอะไรเป็นสัตจะอะไรตัวตาเป็นทุกขสัตปัจจัยของตาเป็นสมุทัยสัตถ้าไม่มีปัจจัยเนี่ยนะตามีไหมไม่มีก็จะไม่มีทุกขสัตเอตตาจะบอดทั้งนะั้นเนาะไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าหากว่าคนพวกนี้ต้องเรื่องกรรมเนี่ยมั่นคงดีนะเพราะว่าถ้ามีเหตุตาก็มีได้ปัจจัยตาก็มี แต่ว่าจะมีเหมือนเดิมหรือว่าดีเท่าเดิมหรือเร็วกว่าเดิมก็สุดแท้แต่คุณภาพของกรรมที่ทําให้มีตาสัตว์บางอย่างเนี่ยนะเห็นแล้วแปลกใจเนี่ยตาเนี่ยปอนออกมาข้างนอกเช่นมวแดงตาปูอย่างเงี้ยนะโอ้โชตาเนี่ออกมาข้างนอกวิจิตเหลือเกินบางทีตัวบเบื้องตานี้เดียวเหมือนช้างบางตัวเนี่ยตัวนี้เดียวตาโตเหลือเกินเลืมตามาทีเนี่ยสะดุ้งยงเลยเนี่ยนะ มันเออนั่นแหละแล้วแต่ปัจจัยนั่นแหละคุณภาพของกรรมเป็นปัจจัยอย่างไรตาก็จะเป็นไปลักษณะนั้นตามนุษย์เนี่ยนะใครตาไม่สวยนี่เกิดจากอะไรรู้ปะมองคนอื่นด้วยสายตาที่ดูหมิ่นเยียดยม้มเคยมองคนอื่นแบบเขไหมมองแบบมองด้วยตาเขด้ดวยตาชนิดไหนไม่ใช่เมตตาแน่นอ น, นอ่ะเชื่อเอเพราะฉะนั้นเหตุอันนั้นก็ทำเห็นคนตาเขมีเยอะไหมนั่นะจะสมควรกเหตุ ถ้าคนมองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นต้นเนี่ยนะตานั้นก็จะเป็นตาที่ไม่ดูร้ายเหมือนพระพุทธเจ้าเรียกว่าตาเหมือนตาโคตาไม่ดูร้ายแต่บางคนนี่ไม่ได้นะมองโหเหลืลืมตามองเหลือบป๊บเนี่ยต้องรีบหลบนี่กลัวสะดุ้งโยงเลยว๊าบขึ้นมาเลยทันทีโอ้โหอะไรจะดุขนาดนั้นเขาบอกว่ามองตาเนี่ยก็ดุกทันทีเลยนะคือเพราะตานี่นะอ่าส่วนหนึ่งที่ที่สีที่อยู่ในในจักรค สสาราระจะักขูในตาทั้งลูกเนี่ยน ะ, ะในส่วนนั้นมีจิตตชรูปอยู่ด้วยเมื่อจิตตชรูปเนี่ยนะมันก็เป็นเขาบอกว่าตาสีเนี่ยนะประกาศถึงความในใจเขาด้วยเพราะนั้นตาที่แสดงออกมานั้นส่วนที่เป็นจิตตชรูปก็สามารถอย่างถึงสมุทฐานได้ว่าสมุทฐานนั้นเกิดจากโลภะหรือเกิดจากโทสะหรือเกิดจากโมหะคนตามีถีนะ่มิทธะคอบงำมองออกว่า เป็นยังไงลืมข้างทางดูนะเจอไหมหนังตามหนักขึ้นหนักขึ้นตีลงตีลงนะตานี่ยฟ้าฟางไปหมดเลยอันนี้ก็ะีนะมิธาเป็นสมุทฐานนั้นก็สามารถที่จะยังถึงสมุทฐานเหล่านั้นด้วยเนี่ยนะเมื่อมองปัจจัยมองสมุทฐานมากๆขึ้นลักษณะนี้เพราะได้ปัจจัยตานี่ก็เกิดแล้วก็ใขคร่ครวญถึงถึงความน่ารังเกียจของสิ่งเหล่านี้ด้วย แล้วก็มหาภูตรูปซึ่งเป็นพื้นฐานของตานั้นก็เป็นเหมือนกับอสสารพิษสี่ตัวนี่และแล้วก็ไข้ครวญเสร็จแล้วถ้าปัญญามากขึ้นตานี่เหมือนอะไรตานี่คือยตนะภายภายในบ้านร้างว่างั้นเป็นเหมือนกับบ้านร้างสีคือยตนะพายนอกมารับกระทบทางตาเหมือนกั บ, เ ห, กบเหมือนกับโจรปล้น วิถีจิตที่เกิดขึ้นอาศัยการเห็นในเหมือนกับมายากลเป็นของหลอกลวงเหมือนจริงมากว่างั้นมายากลนันเวทนาก็เหมือนกับต่อมน้ำสังขารก็เหมือนกับต้นกล้วยอยู่ในนะั้นอันแต่ละอย่างไม่ได้มีสาระแก่นสารมากนะักเราะนั้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมากๆ ก, ก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของของสิ่งเหล่านี้ เมื่อเห็นโทษเห็นภัยก็ปรารถนาที่จะพ้นปัญญาที่ปรารถนาที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้เรียกอะไรบาลีเรียกมุญจิตุกรรมมยตาญาณเห็นต้องการที่จะพ้นแต่ไม่ใช่พ้นจากตรงนี้นะมันพ้นจากพ้นจากทั้งหมดนั่นแหละและอย่าลืมว่าก่อนที่มุญจิตุกรรมมยตาญาณจะเกิดขึ้นนั่นนะความรู้ที่ปรารถนาจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้นะั้นน่ะ เขาปรารถนาแม้จะพ้นแม้จากความคิดอันนั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นจากปัญญาที่พิจารณาตาเนี่ยนะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วปัญญาเกิดขึ้นพิจรารณาปัญญาที่พิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาซ้อนๆกันอย่างนี้เป็นสิบครั้งเนี่ยนะไม่ใช่ครั้งเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่มียึดไม่ยึดถือแม้กระทั่งความรู้อนั น, น, นด้วย ต้องการพ้นแม้กระทั่งความรู้ด้วยแต่ก็พอกพูนความรู้เพราะเขาแยกกิจออกเลยว่าตาเป็นทุกขสัตย์ควรปริญญาสถ้าหากว่าปริญญามากๆถ้าไม่พิปริญญาไม่ทำความรู้ในสิ่งเหล่านี้สมุทัยศาสตร์ก็จะเกิดตามนั้นนะเพราะไอ้ความไม่รู้เป็นต้นนี้ควรควรละความเพลิดเพลินความยินดีในสิ่งเหล่านี้ควรละด้วยแต่ทางฆ่าประหารเป็นต้น ที่สุดแห่งสิ่งเหล่านี้ก็ควรทำให้แจ้งนั้นจะพอกพูนความรู้อันนี้มากเท่าไรแต่การที่จะพอกพูนความรู้อันนี้เนี่ยนะอย่าลืมว่าเข้าใจในเรื่องนี้ให้ถูกพอเข้าใจถูกก็ตรึกในเรื่องนี้มากๆอันนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะ <c oughs> คนที่จะตรึกเรื่องนี้ได้อย่างดีเนี่ยนะต้องมีความเพียรเนีย่ยนะสัมมาวายาม ะ, ะคนที่จะมีความเพียร ต้องทําด้วยความไม่ประมาทสัมมาสติเนี่ยนะก็บอกว่าความเห็นของเธอนั้นอันใดความเห็นอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความดําริของเธออันนั้นอันใดความดําริอันนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะนะความพยายามของเธอนั้นอันใดความพยายามอันนั้นเป็นสัมมาวายามะนะความสติของเธอที่ระลึกนั้นอันใดสติอันนั้นเป็นสัมมาสติเนี่ยนะความสงบตั้งมั่นนั้นอันใดเป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นคนที่จะ อ บ, บรมเจริญอย่างนี้กายกรรมก็ต้องอ น, นะอย่าลืมว่าสัมมาทิฏฐิหรือวิปัสสนาเหล่านี้มีอะไรเป็นอาหารสุดจริตสาเพราะฉะนั้นกายสุดจริตวจีสุดจริตอาชีพก็บริสุทธ์มาตั้งกับต้นแล้วเพราะฉะนั้นอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ก็จะบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างนั้นสูตรไหนเนี่ยมีไหมใสยลืมมันลิกเรียนไว้นานแล้วเนาะสลายตนะสุ สลายยตนาวิพังกระสูตรที่เคยกล่าวไ ว, นานว้สมัยนั้นนและสมัยโน้นนะนะโน้นเมื่อปีที่แล้ว น, นนะนานมากมันจะขวบปีอะไะเลยลืมหมดแล้วนั่นแหล <c oughs> ะเราะนั้นการพ อ, อ, อกพูนหรือการอบรมอรรยมรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดก็จะบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างนี้ที่นี้ก็ต้องหมั่นอบรมในทุกทวารเนะทั้งทั้งหกทวารเ่ย วิจัยทางตาแล้วก็ไปวิจัยทางหูบ้างทางจมูกทางลิ้นทางกายและกายคือผมก็เอาตรรองผมแบบนั้นอนะ่ะสูตรเดียวกันนะั่นแหละผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยนะมาหัวใจตับไตไส้บอลนี่ต้องพิจารณาให้หมดตามแนวเดียวกันกับที่พิจารณาตานั่นแหละเพียงแต่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์แต่ความรู้หลักการพิจารณาก็แนวเดิมแนวเดิม นะถ้าหากว่าผู้ที่อบรมสามารถสูงสุดก็สามารถแทงตลอดอริยสัจได้ในครั้งแรกการเห็นอริยสัจครั้งแรกเรียกว่าอะไรมักแรกเรียกว่าโสดาปฏิมักนะจะอ่านข้อความโดยย่อของมัชฌิมนิกายมูลปานานอรกถาสภาสวะสังวรสูตรต่อไปว่า เมื่อกําหนดรูปประคันนั้นก็ย่อมกําหนดธรรมะคือจิตและเจตสิกอันมีรูปประคันนั้นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วว่าธรรมะสี่ประการ น, นี้คือรูปประคั น, นเนี่ยนะ ค, คือวิญญาณที่อาศัยจกักขุเกิดนั่นแหละต่อแต่นั้นย่อมกําหนดว่าขันสนีะ่นา ม, มาขันสนะี่เนี่ยก็ได้ขันห้าละเบนจะขันเหล่านี้เป็นเป็นทุกข์ก็เบนจะขันเหล่านั้ น, น, น, น, น, น, นโดยย่อมี2 ส, ส่วนเท่านั้นคือนามและรูป และนามรูปนี้มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นพระโยคาวจรกําหนดเหตุและปัจจัยของนามรูปนั้นมีอวิชาพบนี้ยังไม่ได้ไปดูเลยว่าตันหาหรือหรือพบกันแน่ยังไม่ได้ดูเอออุปาทานหรือพบกันแน่แล้วก็ตันหากรรมและอาหารเป็นต้นว่านี้เป็นปัจจัยคือ อวิชาตัญหาอุปาทานกรรมนี่เป็นเป็นเหตุว่างั้นเถอะอาหารนั้นเป็นปัจจัยต่อจากนั้นพโยคาวาจรกำหนดกิจและลักษณะของตนตามความเป็นจริงของปัจจัยรู้จักตัวขันห้าอย่างดีแล้วก็ต้องไปพิจารณาเรื่องของปัจจัยยกยกตัวอย่างนะถ้าพิจารณาเรื่องของ จักขู่อย่างดีแล้วสมุดฐานของจักขู่กรรมเนี่ยต้องไปศึกษาเรื่องกรรมให้ละเอียดจิตที่เป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกับจักขู่ต้องไปเรียนเรื่องจิตให้ละเอียดอูตุที่ที่ไปหล่อเลี้ยงจิตเนี่ยนะอูตุนั้นก็ต้องพิจารณาให้ละเอียดและอาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงจิตก็ต้องพิจารณาให้ละเอียดเหมนกันต่อแต่นั้นพโยคาวจรกําหนดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะทั้งกิตลักษณะของตนตามความเป็นจริงของปัจจัย และธรรมะซึ่งอาศัยปัจจัยเหล่านั้นเกิดขึ้นใช่ไหมปฏิจจส ม, มุปบาทแล้วกล่าวถึงทั้งปัจจัยและปัจจัยุบบัญเมื่อกี้กล่าวถึงเรื่องของตรงตาเนี่ยนะตาหนีมหาภูตรูปเนี่ยคืออวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปคำว่า <c oughs> คว่ารูปเนี่ยนะคำว่ารูปได้แก่ มหาพูทธรูปนะยกตัวอย่างมหาพูทธรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายยตนามหาพูทรูปเป็นปัจจัยแก่จกักขูปัสสาธะเรียกว่ามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายยตนาจักขูปัสสาธะกับสีเรียกว่าสลายยตนะเนี่ยก็ทําให้เกิดแล้วก็จกักขูวิญญาณใช่ไหมสามอย่างประชมการเรียกว่าพัสสะพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเนี่ยนะชาวนะส่วนใหญ่ ในกามภูมิเนี่ยนะจะเป็นโลภะสะัส่วนใหญ่เนี่ยนะเป็นโลภะสะัส่วนมากกามรวิจรสุขติภูมิโดยมากเป็นโลภะถ้าอบายภูมิประเภทสัตว์นรกเนี่ยนะโทสะเมื่อเห็นแล้วส่วนใหญ่จะเป็นโทสะถ้าเป็นเดริชานภูมิส่วนใหญ่เป็นโมหะเนี่ยนะก็สุดแท้แต่ภูมิด้วยเหมือนกันอันนั้นเป็นอะไรผ้าตันหา ตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐิเป็นต้นที่เกิดด้วยกันนั่นแหละก็เป็นปัจจัยกับอุปาทานเจตนากรรมก็จะเกิดขึ้นทํากรรมไปเนี่ยนะแล้วก็เป็นเหตุแห่งการเกิดในภพใหม่ต่อไปอีกแล้วทั้งขณะที่เจตนาเกิดขึ้นเป็นกรรมมพผลของเจตนาที่จะมีต่อไปเรียกว่าอุปาติภพเนี่ยนะอันเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีหรือว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นเป็นปจัจจัยก็จะเห็นความสัมพันธ์สืบเนื่องของปจัจจัย ว่าธรรมชาติเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยแม้ในอดีตความจริงเหล่านี้ก็เกิดด้วยปัจจัยแม้ในอนาคตก็จะเกิดด้วยปัจจัยปัจจุบันที่กําลังเป็นไปอยู่ก็เกิดด้วยปัจจัย <c oughs> นะแล้วก็ยกขึ้นสู่อ น, นิจจากสนะว่าธรรมะเหล่านี้ มีแล้วนะนะมีเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่มีแล้วเกิดมีขึ้นเนี่ยนะว่าเกิดมีขึ้นแล้วก็ไม่มีได้ปัจจัยเขาก็เกิดอีกเขาก็เป็นไปอยู่อย่างนี้ของเขายกขึ้นสู่ทุกขลักษณะว่าธรรมะเหล่านี้เป็นทุกเพราะความที่ถูกความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปบีบคั้นตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงใช่ไหอ่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ใช่ไห แล้วก็ยกขึ้นสู่อนัตตลักษณะว่าธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะไม่เป็นภายในอำนาจคือเขาได้ปัจจัยเขาก็เกิดคือถ้าถ้าเขามีปัจจัยเขาจะเกิดนะแต่แต่บางทีก็เข้าใจว่าเหมือนกับจะเกิดจากอัตาเหมือนกันนะยกตัวอย่างใช่ไหมเราอยากได้ตาดีๆตางามๆเนี่ยเราก็ทําบุญแล้วก็ปฎาฐานาให้มีตาอันนี้นี่คือเหตุนะแล้วก็ทําให้ตาชนิดนั้นเกิดขึ้น แต่เหตุคือปัจจัยเหล่านี้ทําให้ตาเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลกล่าวว่าถ้าตาเป็นอัตตาเนี่ยนะอัตตาต้องสมบูรณ์ในตัวเองไม่ต้องอาศัยปัจจัยจากอย่างอื่นแต่นี่ไม่ใช่ตานั้นเป็นธรรมชาติที่อาศัยปัจจัยตั้งร้ายอย่างทาให้ให้เข้ามีขึ้นเพราะฉะนั้น เชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะไม่เป็นไปในอำนาจพระโยคาวจรนั้นครั้นยกธรรมะเหล่านี้ขึ้นสู่ตรายลักษ์อย่างนี้แล้วให้วิปัสสนาเป็นไปโดยลําดับเนีย่ยนะคือโดยลําดับเนี่ยลําดับไหนพอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็อะไรนะถ้าได้ปัจจัยเขาก็เกิดขึ้นถ้าหมดปัจจัยเขาก็หมดไปนะั้นเรียกว่าเกิดดับงู <c oughs> <c oughs> มันเล่นงานเพื่อนนะ <c oughs> ทนี้ก็เห็นภัยของสิ่งเหล่านั้นให้มากๆนะตามเห็นว่าเออเนี่ยคือภยัยภัยแปลว่าอะไรนะน่ากลัวเนาะนะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยน่ากลัวแล้วก็โดยเป็นโทษอาทีนบเนี่ยนะความเป็นโทษแล้วก็เป็นผู้ที่ใครจะพ้นจากความจริงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จนถึงกับอนุโลมคําว่าเราเคยได้ยินนะอนุโลมมายานคําว่าอนุโลมมายานคืออะไร คือยานที่อนุโลมต่อต่อยานต้นๆเลยเนี่ยนะปัญญาตั้งแต่ชั้นหนึ่งมาที่หนึ่ง2สามสี่วิปัสสนาหรือปัญญาเหล่านั้นท่านอุปมาเหมือนกับอามาตย์ผู้วินิจฉัยคดีเนี่ยนะอนุโล ม, มัายานี่เหมือนกับพระราชาวิปัสสนาต้นๆ น, นั้นเหมือนกับอามาตย์ที่วินิจฉัยคดีตั้งแต่ต้นผ่านมาหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยนะจนมาถึงพระราชาที่วินิจฉัยเนี่ย แล้วพระราชาเนี่ยจะวินิจฉัยว่าเออวินิจฉัยอนุโลมตามอัมมัดที่พิจารณามาแล้วและพิจารณาอนุโลมต่อโพธิปักขยธรรมเนีย่ยนะอนุโลมต่อโพธิปักขยธรรมว่าศรัทธามีมากไหมวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยบริบูรณ์ไหมก็จะพิจารณาเพื่ออนุโลมต่ออริยสัจเมื่ออนุโลมต่อโพธิปักขยธรรมอย่างนี้ก็ อบรมต่อไปก็สามารถที่จะแทงตลอดโซดาปฏิมัคได้ขณะนั้นเธอย่อมแทงตลอดสัจจะทั้งสี่ด้วยการแทงตลอดด้วยยานดวงเดียวเท่านั้นแต่ว่าวิจัยมาเป็นอย่างดีแล้วนะ <c oughs> เธอย่อมตรัสรู้ด้วยอาการตรัสรู้ด้วยยานดวงเดียวย่อมแทงตลอดทุกข์ด้วยการแทงตลอดโดยการกาหนดรู้หรือที่เรียกว่าปริญญานั่นเอง ย่อมแทงตลอดสมุไทยด้วยการแทงตลอดโดยการละหรือที่เรียกว่ารประหารนะย่อมแทงตลอดนิโรธด้วยการแทงตลอดโดยการทำให้แจ้งย่อมแทงตลอดมักด้วยการแทงตลอดโดยการเจริญเธอย่อมตรัสรู้ทุกข์ด้วยการตรัสรู้โดยการกหนดรู้เป็นต้นเนี่ยนะจนถึงย่อมตรัสรู้มักด้วยการตรัสรู้โดยการเจริญหาใช่ตรัสรู้สัจจะอีกข้อหนึ่งด้วยยานอีกดวงหนึ่งไม่ คือในชั้นของโซดาปฏิมิเกิดขึ้นเนี่ยนะขณะที่ที่แทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยก็เท่ากับแทงตลอดยานทั้ง4ี่เลยแต่ว่าก่อนที่จะแทงตลอดนั้นผ่านการวิจัยมาเป็นเป็นอย่างดีแล้วนะหรือบางทีก็อาจจะคล้ายกับการตรวจสอบอย่างอื่นจนหมดจนบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะ อ, อริยมรรคจิตก็เหมือนกับการตัดสินใจอย่างเดียวเลยนะในเกิดขึ้นซึ่ง ในการกำหนดรู้ก็กำหนดรู้มาเป็นอย่างดีแล้วไซ <c oughs> <c oughs> เขาจะให้พักนะมั้งเพื่อให้อาจารย์ได้พักนะครับ <c oughs> อาจารย์การบรรยายเราจะเห็นว่ า, าจาักขุที่อายกขึ้นมานั้นนะครับแท้จริงแล้วก็เกิดมาจากกรรมนะครับซึ่งเหมือนพ่อละตัญหาเหมือนแม่นะครับแล้วก็ในอาจักขุนั้นก็มีรูปอยู่หลายรูปนะครับเช่นมีเช่นกายัตทศัศกาผวัทัศกะภาภา อนอกจากนั้นก็มีกรรมอุติชรูปอาหารชรูปจิตเชรูปนะทั้งหมดมีประมาณสี่สิบสี่รูปเราจะเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยแม้แต่การที่เรามองเห็นนะครับเราก็ต้องอาศัยปัจจัยอื่นด้วยเช่นจักรคูภาษาธาตุทองดี <c oughs> มีรูปรม์มีแสงสว่าง แล้วก็จิตเราต้องมรสอกางด้วยและแม้การเห็นนั้นที่จริงแล้วก็ไม่มีใครเห็นนะครับไม่มีผู้เสวยนะครับสรุปแล้วก็ไม่มีตัวตนในนั้นเลยนะมีแต่เหตุปัจจัยถ้าปัจจัยนั้นมีพร้อมการเห็นโดยจากรูปสาทากก็เกิดขึ้นถ้าปัจจัยดับลงการเห็น แม้แต่จักรุก็ดับลงด้วยเอาเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีสาระ <c oughs> ไม่มีแกนสารนะครับเป็นอนัตตาซึ่งไม่มีอำนาจบังคับบัญชาได้เกิดขึ้นและดับไปเพราะปัจจัยอาจารย์้อบนะครับผม ก็บอกว่าความจริงพโยคาวจรนี้ย่อมแทงตลอดและย่อมตรัสโรนิโรสัจจะโดยความเป็นอารมณ์นี่นะนิโรดนั้นก็คือนิพานเป็นอารมณปัจจัยของอริยมรรคหรือเป็นอารมณปัจจัยของโสดาปิตมรรคและสัจจะที่เหลือโดยความเป็นกิจ ด, ด้วยญาณดวงเดียวเท่านั้นนะคืออริยมรรคเกิดขึ้นนั้นมีนิพานเป็น อารมณปัจจัยเป็นอารมณ์แต่ว่าการแทงตลอดสัจจะคือทุกขสัจกับสมุทัยสัจหรือว่าเจริญมรรคเนี่ยนะด้วยด้วยด้วยกิจวา ง, งั้นเถอะเรียกว่าด้วยการไม่หลงเรืมด้วยอสัมโมหะแต่ว่าจริงๆแล้วในขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นนั้นมีนิพพานเป็นอารมณปัจจัย ก็ในสมัยนั้นเธอย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมกำนดรู้ทุกดังนี้หรือว่าเราย่อมยังมักให้เจริญไม่มีความสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมก็ได้ยินนะว่าทุกมีอยู่แต่ว่าผู้ผู้ผู้ที่ทุกไม่มีสมุ ท, ทยัยเหตุแห่งทุกมีอยู่แต่ว่าผู้ทาเหตุ น, นั้นอะ่ะไม่มี อ, อารยมักมีอยู่แต่ว่าคนเดินอะ่ะไม่มีนิโรธมีอยู่แต่ว่าความดับมีอยู่แต่ไม่มีผู้ไปดับ นันก็เป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยด้วยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งแหละเมื่อเธอทําให้แจ้งซึ่งนิโรธด้วยความสามารถแห่งปฏิเวทโดยทําให้เป็นอารมณ์อยู่นั้นแหละยานนั้นชื่อว่าย่อมทําหน้าที่กําหนดรู้ทุกบ้างทําหน้าที่ละสมุทัยบ้างและทําหน้าที่เจริญมักบ้างเมื่อเธอสายใจโดยแยบใครโดยอุบายอย่างนี้เธอย่อมละสังโยตสามได้คือสกายาทิฐิมีวัตถุยี่สิบ แล้วก็วิจิกิจามีวัตถุแปดศีลพัตตปาปรามารเพราะรูปครามศีลและพระว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะศีลความบรความบริสุทธิ์มีได้เพราะพระพระก็คือวัดนั่นเอง <c oughs> จริงๆแล้วความบริสุทธิ์นี้บริสุทธิ์ด้วยอะไรด้วยอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยอย่างอื่นเลยนะ บริสุทธ์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดไม่ให้บริสุทธ์ด้วยหนทางอย่างอื่นท่้นผู้ที่มีความรู้แทงตลอดอริยสัจอย่างนี้แล้วก็จะละที่น่าสนใจมากก็คือละวิจิกิจฉาอย่างเด็ดขาดเลยนะเป็นสมุทเฉธาปะหารวิจิกิจฉามีวัตถุ8คืออะไรหนึ่งนะสงสัยในพระพุทธคุณ สงสัยในคุณพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์จริงหรือเปล่า <Okay. S 1> เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือเปล่านะสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาจารณะสามปานันโนสุขโตโลกวิทโอนุตโตรปุริสธรรมสารติสัตถาเทวมนุษย์นางพุทโธภคะวาเนี่ยนะนะผู้ที่แทงตลอดอริยสัจแล้วจะไม่มีความสงสัยในพุทธคุณแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหล่านั้นเลย ทราบซึิงในพุทธคุณแล้วแล้วก็ถ้าลักษณะนี้นะเรียกว่าเข้าถึงโลกถึงสารณะแบบแบบโลกุตระนะเรียกว่าเข้าถึงโลกุตระสารณะคมแต่ของพวกเราก็เป็นเป็นโลกิยะเนี่ยนะอ า, อาศัยศรัทธาสมาทานมีศรัทธาในสารณะเหล่านั้นแต่ถ้าเป็นพระอริยสาวกแล้วก็จะเข้าถึงโลกุตระแล้วก็ความเห็นของท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วว่า มีคำสอนอย่างอื่นอีกที่สา ม, มารถที่จะช่วยให้ให้สัตว์พ้นจากทุกขก็คือมีความเชื่อมั่นว่าผู้ที่แนะนำให้เราพ้นจากทุกนอกจากพระตนะตรัยไม่มีแล้วนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนหรือข้อปฏิบัติคำสอนที่ที่สอนให้เราพ้นจากทุกขนอกจากพระธรรมไม่มีแล้วนอกจากพระริยะสอ์ที่ท่านปฏิบัติแล้วท่านพ้นทุกไปก่อนท่านก็ไม่สงสัยเลยนะไม่สงสัยใน พุทธคุณไม่สงสัยในธรรมคุณคือคําสอนที่เป็นพระปริยัติธรรมก็ไม่ไม่สงสัยแล้วสวากขาโตพระกวาตาธรรมโมก็ไม่สงสัยแล้วทีนี้สันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะยิโกปัจจตังเวทิตาโปวินโยห์เนี่ยนะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะตั้งแต่สันทิฏิโกเป็นต้นเป็ น, ป น, ปนชื่อของมรรคนิพพานเพราะฉะนั้นท่านแทงตลอดแล้วท่านก็ไม่สงสัยในธรรมคุณเหล่านั้นแล้ว และท่านไม่สงสัยในความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีอย่างไรอุโชปฏิปันโนปฏิบัติตรงอย่างไรญายาปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งนิพพานอย่างไรสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติธรรมจนสมควรแก่ธรรมอย่างไรเพราะท่านก็เป็นหนึ่งในอริยสาวกผู้แทงตลอดในอริยสัจธรรมแล้วท่านเหล่านั้นก็ไม่มีความสงสัยในศิกขาสาประการเลยว่าอธิศิลสิกขา ศีลอขาบอกว่าสมาธิเนี่ยนะที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากเมียนิสง์มากปัญญาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากเมียนิสง์มากจิตที่มีปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะเพฟังท่านไม่สงสัยเลยพฟังท่านเป็นผู้ที่พระโสราบันนั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยศีลมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณ พระโสดาบันนี้เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์พระสกะทาคามีพระนาคามีพระโสดาบันเนี่ยนะกับพระสกะทาคามีมีศีลบริบูรณ์ส่วนพระนาคามีมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาพอประมาณส่วนพระอระหันต์มีศีลสมาธิปัญญานั้นบริบูรณ์ศรษขาสามของท่านนั้นบริบูรณ์ทั้งหมดเลยดังนั้นเราก็ถ้าเราศึกษาลักษณะนี้จะทำให้เห็นอย่างว่า ถ้าเป็นพระอริยาสาวกจริงๆแล้วศีลท่านบริบูรณ์ระดับพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะแล้วถ้าหากว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วข้อความในคัมภีร์บางแห่งกล่าวว่าท่านจะพูดไม่ขัดกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยเจ้าเนี่ยจะไม่พูดขัดกันเองอริยะองค์นี้กับองค์นี้จะไม่พูดขัดกันเพราะอริยาสาวกจะอนุวัตตามคาสอนเสมอ นะจะพูดตามคําสอนเสมอจะไม่ไม่กล่าวเป็นอื่นคือความมั่นคงของท่านเนี่ยนะเหมือนกับที่ท้าวส ก, กะมากล่าวกับสุ ป, ปะพุทธกุติเนี่ยนะถ้าท่านบอกว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เนี่ยจะยกสมบัติให้เลยเนี่ยนะก็บอกว่าหนีไปให้คนพาดว่างั้นคือเขาไม่ยินดีเขากล่าวไม่ได้จริงๆอะคำสามคําเหล่านั้นแต่ว่า เราก็มามาพิจารณาในยุคหลังๆมาเนี่ยนะที่เขาว่าตัสรธรทำแต่ก็กล่าวจ่วงจับเลอกเกินอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ตัสรู้อะไรกันแนะ่เพราะว่าศรัทธานในพระตนะตรายดูงอนแง่นเต็มทีแล้ววิภากวิจารณ์พระตนตรายเป็นเป็นปกติด้วยความเมามันน้ําลายเนี่ยนะด้วยอํานาจอากุศลเนี่ยแล้วก็บอกว่าโหตัสรธรทำไม่รู้ตัสรู้อะไรคือไอ้ธรรมะอาจจริงอยู่เพราะวาธรรมะมีกี่อย่างนะ กุศลก็ธรรมะอากุศลก็ธรรมะอัพยากตะก็ธรรมะสีก็ธรรมะนั่นแหละแต่ถ้าธรรมะอย่างนี้ไม่ได้เป็นพ้นทุกข์ได้ไหมคําว่าธรรมะหมายถึงอะไรธรรมะที่เป็นธรรมังสารนังข้าสามิหมายคำว่าไงหมายความว่ารักษาผู้ที่ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วคําว่าธรรมะนั่นนะอย่างยกตัวอย่างว่าธรรมะระดับโลกุตระเนี่ยนะคือ ทำให้ผู้ที่แทงตลอดแล้วไม่ไปอบายเลยส่วนพระปริยัติธรรมนี่ก็คือทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่อบายเนีย่ยนะแต่ถ้าโลกุตระธรรมนะผู้ที่เข้าถึงโลกุตระธรรมจะไม่ไปอบายตลอดการแต่ถ้าพระปริยัติธรรมเมื่อบุคคลเข้าถึงแล้วจะทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ไปสู่อบายาก็เฉพาะชาตินั้นถ้าชาติหน้านับถืออีกปฏิบัติตามอีกก็พ้นอบายอีก แต่ก็ไม่แน่นะชาตหน้าว่าชาิหน้าได้นับถือหรือเปล่าไม่รู้เนาะแล้วแต่ว่ามาเกิดที่ไหนด้วยนะเกิดเมืองไทยก็ไม่แน่ว่าจะได้นับถือหรือเปล่าอันนี้เลือกที่เกิดเอากันแล้วกันวันนี้คิดอะไรมากนั่นแหละดูถ้าจะไปเกิด ต, ตามที่แบบที่คิดๆนั่นแหละ <c oughs> คือจิตเนี่ยนะเราก็สังเกต ด, ดูนะท่าในโลกนี้เราพูดนะเนี่คนคิดถึงบอนมากๆเดี๋ยวก็จะไปบอนนี่ะ คิดถึงสถานเรืองรมมากก็จะไปสถานเรืองรมคิดถึงร้านอาหารมากเดี๋ยวก็ไปร้านอาหารคิดถึงเพื่อนมากเดี๋ยวก็ไปหาเพื่อนสรุปแล้วฝักใ่กับเรื่องใดใจก็จะเนี่ยนะตัวก็จะไปตามที่ฝักใยนั่นแหละนี่เราก็มาตรวจสอบดูว่าเราฝักใยอะไรมากผู้ใยในบุคคลจะเจริญก็รู้ได้ง่ายบุคคลจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายผู้ที่ชอบทําเป็นผู้ที่ จเจริญผู้ที่ชังธรรมก็เป็นผู้ที่เสื่อมธรรมะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะธรรมะมันก็อยู่อยู่ที่ไหนเราก่อนต้องทีนี้วิธีถามนะเราก็ต้องถามไอ้ธรรมะที่ว่ามันคืออะไรใช่ไหมธรรมะที่ว่าเนี่ยคืออะไรบอกว่าธรรมะอยู่ที่ไหนรีบตอบไปทันทีเลยไม่รู้เขาถามมาธรรมะอะไรก็าธรรมะ ม, มีความหมายต่างเยอะแยะใช่ไหม กุศลาธรรมอกุศลาธรรมะพยากระตาธรรมเนี่ยธรรมะหมดนั่นแหละเนี่ยนะปริยัติก่อธรรมะปฏิบัติก่อธรรมะแต่ทีนี้ว่าธรรมะที่ว่าคืออะไรใช่ไหมแล้วก็ล็อกหน่อยถ้าธรรมะที่ว่าคืออะไรคือกุศลธรรมถ้ายกถ้ายกว่ากุศลธรรมกุศลธรรมไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสแต่เป็นชื่อของจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นนะกุศลธรรมจะเกิดขึ้นได้เพราะ เป็นไปกับอะไรจิตนั้นต้องเป็นไปกับทานเป็นไปกับศีลเป็นไปกับภาวนาเนี่ยนะกุศลจิตก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนั้นผู้ที่ฝักใยให้กุศลจิตเกิดขึ้นโดยที่มีพระธรรมคําสอนเป็นเครื่องชี้นําที่จะให้จิตเป็นไปกับกุศลนั่นแหละเรียกว่าผู้ฝ่ายในธรรมเนี่ยนะทำยังไงกุศลจิตจะเกิดขึ้นแล้วก็กุศลจิตนั้นก็เป็นไปกับคําสอน เรียกว่าผู้ใฝ่ในธรรมผู้ใฝ่ในธรรมลักษณะนั้นเป็นผู้ผู้เจริญบุคคลจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายบุคคลจะเจริญก็รู้ได้ง่ายผู้ที่ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมผู้ที่ใฝ่ในธรรมผู้ที่ชอบธรรมะก็เป็นผู้ที่เจริญคำว่าเจริญหรือเสื่อมนี้เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดต้องดูอีกทีหนึ่งนะว่าเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะถ้าถ้าใฝ่ในธรรมบางอย่าง วัตถุบางอย่างเสื่อมนะยกตัวอย่างถ้าบวชแล้ววัตถุเสื่อมหมดเลยชอบในธรรมแบบนี้นะบางอย่างวัตถุต้องหมดไปมันเป็นธรรมดาเพราะธรรมะบางอย่างสมมุตินะถ้าเป็นระดับมหคัตธรรมเนี่ยนะระดับมหคัตธรรมเนี่ยต้องนายในกา ม, มาวจรธรรมเขาบอกว่าถ้าปฐมฌานเนี่ยนะก็คือสังกัดจากกามสงกัดจากอ ก, กุศลธรรมทั้งหลาย ต้องสงกัดจากวัตถุกรรมทั้งหมดสงัดจากอคุโสลธรรมทุกชนิดแล้วบรรลุปถมฌานนะอันประกอบด้วยวิตกวิจารณและสุขอันเกิดจากวิเวกแต่ถ้าจะหากว่าจะบรรลุทุติยฌ า, านต่อไปต้องสงบจากวิตกและวิจาร์ถ้าจะบรรลุตัติยฌ า, านต้องสงบจากปีติถ้าจะบรรลุเจตุทะฌานก็ต้องละทุกละสุขละหมดเลย ถ้าจะบรรลุอรูปฌานนะต้องละละอะไรละรูปปสัญญ า, าละรูปปสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตะสัญญาเนี่ย น, นะเข้าอากาศสารนัญจายตนะด้วยการใส่ใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเพราะจะต้องสังัดไปเรื่อยๆ เ, ย เ, ยเยนี่ยนะมันจะเอาทั้งหมดเลยไม่ได้ก็ <c oughs> ว่ามาหะกะตาก็จะเอา การมาวาจรก็จะเอาอย่างนี้ไม่ได้จับปลาหลายมือไม่ได้หลุดหมดอดเลยเนี่ยนะแต่ตรงนี้ก็เหมือนกันเขามีการสละตามลําดับใช่ไหมเที่ยวก็จะเอาธรรมะก็จะฟังเอ๊ยอยังไงกันแน่ฟังแล้วทำแม่งทำแม่งอยู่เหมือนกันก็เว้นไว้แต่ว่าทัวธรรมะด้วยธรรมะหรือเปล่าหรือแต่ทัวสับเดียวต่ามั้งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในการเจริญกุศลธรรถถมก็ต้องเป็นลักษณะนั้นแต่คําว่าผู้ฝ่ายในธรรมเจริญก็คือเจริญงอกงามใน กุศลธรรมด้วยอันในโลกนี้ผู้ที่จะประสบความสําเร็จหรือมีความสุขได้จริงๆก็คือผู้ที่มีกุศลธรรมมากเพราะว่าทำรรมโมฮาเวรคติธรรมจารีรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเนี่ยนะถึงถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ในธรรมดีๆเนี่ยนะอบายภูมิก็ก็ไม่ไปเพราะว่ากุศลธรรมนั่นแหละจะรักษาเขาหม่ไม่เนี่ยเราต้องประพฤติธรรมนะ แต่นานๆนเข้าเนี่ยนะธรรมะนี่แหละจะรักษาเราเองแรกๆโอ้ยดูเหมือนเราจะต้องโอ้รักษาธรรมะหน้าดูอย่างนั้นอย่างงี้เหมือนกับเหมือนกับวินัยนะศึกษาแรกๆนะ่ะหอ้ยรักษาโน่นก็รักษานี่ก็รักษาทุกจริๆๆงๆเพราะงั้นเยอะพูดภาษาคนไม่มีศรัทธาจะเป็นลักษณะนั้นอ่ะแต่ถ้านานๆเข้าโอ้โหวินัยรักษาเราต้องเยอะนะนี่ทำไมมีวินัยเรื่องนั้นนะตอนนี้เราหลุดแล้วเรื่องนั้นไม่มีวินัยข้อนั้นเราหลุดไปแล้วข้อนั้น เพราะธรรมะนั่นแหละจะรักษาผู้ที่ประพฤติตามเมื่อประพฤติตามเนี่ยนะอย่างคำว่าปาติโมก็ทำให้เธอพ้นจากวัฏฏุก์ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่บรรลุอริยสัจแล้วเนี่ยนะชีวิตก็กปลอดภัยและอุ่นใจระดับหนึ่งแล้วว่าสังสารวัฏนี้มีที่พึ่งแล้วก็บอกว่าปุตุชนกับพระโสดาบันเนี่ยนะห่างการเทียบกันไม่ติด ทุกของปุถุชนเนี่ยเหมือนกับภูเขาหิ ม, มาวันตะบันพศถ้าเป็นอยู่อินเดียเนี่ยนะพระพุทธเจ้าชี้ภูเขาหิ ม, มาลัยเลยบอกภูเขาหิ ม, มาลัยกับเม็ดทรายเจดเม็ดอะไรมากกว่าอย่างเงี้ยอไมากกว่าบุกเขาทั้งลูกกับ น, นะเม็ดทรายหรือเม็ดหินเล็กๆเจ็ดเม็ดเนี่ยก็บอกว่าทุกของปุถุชนที่จะมีในสังสารวัตเนี่ยเหมือนกับภูเขาหิ ม, มวันนั่นแหละ ชี้เขาหิมาลัยมันสูงเหียดฟ้านั่นแหะสูงกว่าดอยสุเทพเยอะแต่ว่าทุกขของปุถุชนที่จะต้องท่องเที่ยวในวัตฏะจะมากเท่านั้นนะส่วนทุกของพระอริยส า, าวกยังมากเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดครั้งนะเป็นมนุษย์ไม่เกินเจดครั้งจะทําที่สุดแห่งทุกได้เพรางั้นแต่อยู่ในครันไม่เกินเจดครั้งเพราะ ง, งั้นทุกแค่นั้นแหะแต่ถ้าธรรมดาผู้ที่ยังไม่แทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะ อย่าไปนับเลยเพราะกับหนึ่งเนี่ยกองกระดูกคนเดียวเนี่ยนะมากกว่าเขาเวปุระบรรพศเวภาระบัรพศเนี่ยนะมากกว่านั้นนะหรือว่าทุกของพระอริยาสาวกเนี่ยเหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นอริยาสาวกผู้ที่แทงตลอดอริยศาสตร์แล้วก็เหมือนกับได้รับอนิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะถึงจะครอบครองมหาสมุทรทั้งสี่แต่ก็ไม่พ้นจาก อบายทุคติและวินิบาตอะไรแต่พระรยาสาวกนั้นพ้นจากอบายทุคติวินิบาตนารกเรียบร้อยแล้วอันเราก็ต้องมาพิจารณานะว่าถ้าโสดาปฏยัติยังค่าธรรมมีอะไรบ้างที่พูดมาทั้งหมดนะต้องสรุปมาเป็นโสดาปฏิยัติยังค่าธรรมได้โสดาปฏิยัติยังคธรรมมีหนึ่งการคบสบัตว์บรุษซึ่งคบพระตัตนตรายอย่างเต็มที่แล้วล่ะเพรางั้นเนี่ยสองฟังธรรมะของสัตว์บรุษ เนะคบสัตว์บุิรณ์ที่บริบูรณ์ย่อมยังการสังสัตว์ทำให้บริบูรณ์การฟังสัตว์ธรรมที่บริบูรณ์ทําให้อะไรอีกทำให้เกิดโยนิสโสมนัสิการอย่างบริบูรณ์โยนิสโสมนัสิการบริบูรณ์ก็จะทําให้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์เนี่ยน ะ, ะตั้งแต่สติสัมปชัญญะเป็นต้นมานี่เรียกว่าธรร ม, มานุธรร ม, มปฏิปติเพราะว่าสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยัง อินทรีสังวรให้บริบูรณ์อินทรีสังวรที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริสามให้บริบูรณ์สุจริสามที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังพ่อชงเจดให้บริบูรณ์พ่อชงเจดที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์เนี่ยนะวิชาวิมุตที่บริบูรณ์ก็วิมุตติยานัทสนะก็สามารถ เข้าถึงอนุปาทาปริณิพานดับโดยไม่มีส่วนเหลือเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่มีหนี้พระมหากัสสปะบอกว่าท่านบวชมาเป็นหนี้อยู่เจ็ดวันเป็นหนี้ชาวแว่นควายอยู่เจ็ดวันเพราะท่านบริโภคแบบคนมีกิเลสอยู่เจ็ดวันเนี่ยนะหลังจากนั้นมาท่านบริโภคอย่างคนไม่เป็นหนี้เลยของเราเนี่ยมันหนี้ทุกวันใช้หมดเมื่อไหร่รู้นี่อ่ะพูดไปเข้าเนื้อมากพอละ